หนึนักขันตับพวานว่าด้วยสถานที่ไม่ควรไปในวันปวารณาข้อสองร้ามสิภิกษุทั้งหลายในวันปวารณานั้นไม่พึงออกจากอาวาตที่มีภิกษุไปสู่อาวัตที่ไม่มีภิกษุเว้นแต่ไปกับสงเว้นแต่มีอันตรายภิกษุทั้งหลายในวันปวารณานั้นไม่พึงออกจากอาวาตที่มีภิกษุไปสู่สถานที่ไม่ใช่อาวาตซึ่งไม่มีภิกษุ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 ในวันปวารณานั้นไม่พึงออกจากสถานที่ไม่ใช่อวาตซึ่งมีภิกษุไปสู่สถานที่ไม่ใช่อวาตซึ่งไม่มีภิกษุเว้นแต่ไปกับสง์เว้นแต่มีอันตรายภิกษุทั้งหลายในวันปวารณานั้นไม่พึงออกจากสถานที่ม่ใช่อวาตซึ่งมีภิกษุไปสู่อวาตหรือสถานที่ไม่ใช่อวาตซึ่งไม่มีภิกษุเว้นแต่ไปกับสง์เว้นแต่มีอันตรายภิกษุทั้งหลาย ในวันปวารณานั้นไม่พึงออกจากอาวาสหรือสถานที่ไม่ใช่อวาสซึ่งมีภิกษุไปสู่อาวาสที่ไม่มีภิกษุเว้นแต่ไปกับสงเว้นแต่มีอันตรายภิกษุทั้งหลายในวันปวารณานั้นไม่พึงออกจากอาวาสหรือสถานที่ไม่ใช่อวาสซึ่งมีภิกษุไปสู่สถานที่ไม่ใช่อวาสซึ่งไม่มีภิกษุเว้นแต่ไปกับสงเว้นแต่มีอันตราย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 เว้นแต่ไปกับสง์เว้นแต่มีอันตรายภิกษุทั้งหลายในวันปวารณานั้นไม่พึงออกจากสถานที่ไม่ใช่อวาตซึ่งมีภิกษุไปสู่อาวาตหรือสถานที่ไม่ใช่อวาตซึ่งมีภิกษุแต่เป็นที่อยู่ของพวกพิสูตผู้เป็นนานาสังวาสเว้นแต่ไปกับสงเว้นแต่มีอันตรายพิกษุทั้งหลายในวันปวารณานั้นไม่พึงออกจากอาวาตหรือสถานที่ไม่ใช่อวาตซึ่งมีพิกษุ